บทภาชนีติกะสังคาทิเศต719กร้อกที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังคาทิเศษกรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจไม่สละต้องอบัตสังคาทิเศตกรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังคาทิเศตติกะทุกกฎ กรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําถูกต้องต้องอาบัตรทุกขกดกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตรทุกขกดกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องต้องอบัตรทุกขกด